เรื่องวิญญาณกลิ่นดอกกุหลาบแปลจากนิตยาสารเฟสประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช1970คุณลาบใดยังใหเกิดสุขที่สื่อความหมายเป็นคำเอ่ยแทนหัวใจ ดอกไหนให้ตรงกับใจคงฉันแต่ถ้าใครทําวันนันจะมอแพ่กับใครคงได้แค่คิดฉันมีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อเบ็ตตี้บีคอเธอเป็นคนที่ชอบกุหลาบมากเป็นพิเศษ